สัจจกะนิครนทบตุตรชวนเจ้าลิชวีไปฟังการโตวาทะสมัยนั้นเจ้าลิชวีประมาณ500พระองค์ทรงประชุมกันอยู่ในหอประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสัจจกะนิครนทบตุตรเข้าไปหาเจ้าริชวีเหล่านั้นแล้วได้กล่าวกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นอย่างนี้ว่าขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน วันนี้ข้าพเจ้าจากสนทนากับพระสมณะโพดมถ้าพระสมณะโพดมจักยืนยันตามคำที่พระอัสชิซึ่งเป็นระสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงยืนยันแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากฉุดกระชากลากพระสมณะโพดมไปมาด้วยคำต่อคำให้เป็นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังจับแกะที่ขนยาวที่ขนแล้วฉุดกระชากลากไปมาฉะนั้น หรือให้เป็นเหมือนคนงานในโรงสุราซึ่งกำลังวางเสือลำแพนสำหรับรองแป้งสุราผืนใหญ่ในห่วงน้ำลึกแล้วจับที่มุมลากฟาดไปฟาดมาฉะนั้นข้าพเจ้าจักสลัดฟาดฟาดพระสมณโคดมด้วยคำต่อคำให้เป็นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังซึ่งเป็นนักเลงจับถ้วยที่หูแล้วสลัดฟาดฟาดไปมาฉะนั้นข้าพเจ้าจักเล่นงานพระสมณโคดม เหมือนนักกีฬาเล่นกีฬาซักป่านให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วงห0สิบปีลงสู่สะโบครณีที่มีน้ำลึกแล้วเล่นกีฬาซักป่านฉะนั้นขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจากสนทนากับพระสมณะโคดมบรรดาเจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า พระสมณโคดมจะกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจกะได้อย่างไรที่แท้ท่านสัจกะกลับจะกล่าวแย้งถ้อยคำของพระสมณโคดมบางผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านสัจกะเป็นอะไรจึงกล่าวแย้งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคได้ที่แท้พระผู้มีพระภาคกลับจะทรงกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจกะครั้งนั้นสัจกะนิครนบุตร มีเจ้าฤลเชวีประมาณห้าร้อพระองค์ห้อมล้อมได้เข้าไปยังกูตาคารสาลาป่ามหาวันสมัยนั้นพิสุจำนวนมากกำลังจงกรมอยู่ณนะที่กลางแจ้งครั้งนั้นสัจกะนิครนทบุตเข้าไปหาพิสุเหล่านั้นถึงที่จงกรมแล้วถามว่าท่านผู้เจริญบัดนี้พระสมณะโคดมอยู่ณที่ไหนพวกข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระสมณโคดมพระองค์นั้น ภิกษุเหล่านั้นจึงตอบว่าอาคิเวสนะพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเสด็จเข้าไปสู่ป่ามหาวันประทับพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นขจักะนิครนทบุตรพร้อมด้วยเจ้าลิชวีจํานวนมากเข้าไปสู่ป่ามหาวันถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว จึงนั่งณที่สมควรแม้เจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกถาวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกทูลปราสายแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศ ช, ชื่อและโคดของตนในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณนะที่สมควร ปัญหาของสัจกะนิครนทบุตสัจกะนิครนทบุตครันนั่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าพเจ้าขอถามท่านพระโคโดมสักหน่อยหนึ่งถ้าท่านพระโคดมจะเปิดโอกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอคิเวสนะท่านประสงค์จะถามปัญหาใดก็ถามเถิดท่านพระโคดมแนะนาพวกสาวกอย่างไร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 สัญญาไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่อัตตาวิญญาณไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตาเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคาสั่งสอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ท่านพระโคดมขอให้เข้าไปเจ้าแสดงอุปมาถวายขอเชิญท่านแสดงอุปมาเถิด ท่านพระโคดมพืชพันไม้เหล่าใดเหล่าหนึง่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพบู์พืชพันไม้เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้หรือการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลต้องทำด้วยกําลังการงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องอยู่บนแผ่นดินจึงทาได้แม้ฉันใด บุรุษบุคคลนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีรูปเป็นอัตตามีเวทนาเป็นอัตตามีสัญญาเป็นอัตตามีสังขารเป็นอัตตามีวิญญาณเป็นอัตตาต้องดำรงอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงจะประสบบุญหรือบาปได้อคิเวชนะท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเรา สัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเราม right right? ิใช่หรือท่านพระโคดมเขาพเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริงและหมู่ชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเรามิใช่หรืออคีเเวชนะ มูชนเป็นอันมากจากช่วยอะไรท่านได้ชืนท่านยืนยันคําของท่านเถิดท่านพระโคโดมเป็นความจริงเขาพเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเรา ทรงย้อนถามสัจกะนิครนทบุตรด้วยอุปมาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอักขิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้แลท่านเห็นควรอย่างไรท่านควรตอบอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระราชามหากริย์ผู้ได้รับมุรถาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประเสิทธิโคศนหรือพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธ มีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศในพระราชาอาณาเขตของพระองค์มิใช่หรือสัจกานิครนเถบุตรกราบทูลว่าท่านพระโคดมพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าปรเซนทิโคศนหรือพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธ มีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศในพระราชอาณาเขตของพระองค์แม้แต่คณะผู้ปกครองเหล่านี้คือเจ้า ว, วัชชีเจ้ามันละก็มีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศในพระราชอาณาเขตของพระองค์ทำไมพระราชามหากริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้ว เช่นพระเจ้าประเสนทิโกสนหรือพระเจ้าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคตจะไม่มีอำนาจเล่าพระราชามหากัริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วนั้นต้องมีอำนาจแน่และควรจะมีอำนาจอคีเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเรานั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วศัจกะนิคุนทบุตรก็นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับศัจกะริครณทบุตรเป็นครั้งที่สองว่าอาคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาของเรานั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วสัจกะนิครนถบุตรก็นิ่งเป็นครั้งที่สองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสัจกะนิครนถ บ, นะบุตรว่าอคิเวศสนะบัดนี้ท่านจงตอบไม่ใช่เวลาที่ท่านจะนิ่งผู้ใดถูกตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุถึงสามครั้งแล้วไม่ตอบ ศีระของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่นั้นนั่นเองขณะนั้นยักษ์วชิระปาณีถือกระบองเพชรมีไฟลูกโชติช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนสัจกะนิครนทบุตรคิดว่าหากสัจกะนิครนทบุตรนี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัถามปัญหาอันชอบธรรมถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบเราจะทุบศีระของเขาให้แตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้แล พระผู้มีพระภาคกับสัจกะนิครนทบุรเท่านั้นที่มองเห็นยักวจิระปาณีนั้นในทันใดนั้นสัจกะนิครนทบุตตกใจกลัวจนขนพองสยองกล้าวสแสวงหาพระผู้มีพระภาคเป็นที่ต้านทานเป็นที่ป้องกันเป็นที่พึ่งดรียกราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญขอจงทรงถามเถดเข้าพเจ้าจะตอบณบัดนี้ หลักไตรลักษณ์พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอาคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือสัจการนิครนทบุตรทูลตอบว่าข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญ ท่านจงมานชิการเถิดครั้นมานสชิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในเวทนานั้นว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผูเจริญ ท่านจงมนติการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสัญญาเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในสัญญานั้นว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญ ท่านจงมนัสจิการเถิดครั้นมนัสจิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้น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 ข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคโดมผู้เจริญท่านจงมานสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโคโดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระโคโดมผู้เจริญ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและถึงท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 เข้าถึงทุกข์แล้วกล่ำกลื่นทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปแล้วจึงอยู่มีบ้างหรือจะพึงมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญอคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์ เข้าถึงทุกแล้วกล่ำกลืนทุกแล้วยังพิจารณาเห็นทุกว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเรามิใช่หรือจะไม่มีอย่างไรได้ข้อนี้ต้องเป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญ สัจกะนิครนทบุตรยอมจำนนอคีเวสนะบูรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ถือเอาพึ่งที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่ามีต้นตรงกำลังรุ่นยังไม่ออกปลีเขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนต้นแล้วตัดยอดลิดใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพี แล้วจะพบแก่นได้จากที่ไหนแม้ฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกเราซักไซไล่เลียงสอบสวนในถ้อยคำของตนเองก็เปล่าว่างแพ้ไปเองท่านได้กล่าวปราศัยนี้ในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีว่าสมณะหรือพราหมผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ที่ปติญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโตตอบวาทะกับเราแล้ว จะไม่พึงประมาไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลาจากรักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวหากเราโต้อตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจแม้เสานั้นโต้อตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสทานหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยอคิเวสนาะยาเหงื่อของท่านบางหยาดหยดจากหน้าผากลงไปยังผ้าห่ม แล้วตกลงที่พื้นส่วนยาดเงือในกายของเราในบัดนี้ไม่มีเลยดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเปิดพระวรกายอันมีพระชวีวันดุจทองคำในที่ชุมชนนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจกะนิครนเทถบทถึงกับนั่งนิ่งเร่อเขินคอตกก้มหน้าซบเสาหมดปฏิพานครั้งนั้น เจ้าลิชวีนามว่าทุมะมุขะเห็นว่าสัจกะเนึครนทบุตรนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมขอให้ข้าพเจ้าแสดงอุปมาถวายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทุมะมุขะขอเชิญท่านแสดงอุปมาเถิด เจ้าฤาษวีนั้นกราบทูลว่าในที่ใกล้บ้านหรือนิคมมีสระโบกขรณีอยู่สะหนึ่งในสะนั้นมีปูอยู่ตัวหนึ่งพวกเด็กชายหญิงเป็นจํานวนมากออกจากบ้านหรือนิคมนั้นไปถึงสระโบกขรณีนั้นแล้วก็ลงไปจับปูขึ้นจากน้ําวางไว้บนบกปูนั้นสายกล้ามไปทางใดเด็กเหล่านั้นก็คอยต่อยตีทุบกล้ามปูนั้นด้วยไม้บ้าง ด้วยกระเบื้องบ้างเมื่อปูนั้นกล้ามหักหมดแล้วก็ไม่อาจลงสู่สะโบคารณีนั้นเหมือนก่อนได้แม้ฉันใดทิฏฐิที่เป็นเสียนน้ําที่เข้าใจผิดและที่ขวดแขวงบางอย่างของสัจจคนิ ค, ครณทบุตรถูกพระองค์หักโค่นลบล้างเสียแล้วบัดนี้สัจจคาณนิคโครณทบุตรก็จะไม่มาใกล้พระองค์เพื่อโต้วาท่าอีกฉั้นนั้นเหมือนกัน เมื่อเจ้าลิชวีนามว่าทุมะมุขะกล่าวอย่างนี้แล้วชัจกานิครนทบุตรจึงพูดว่าเจ้าทุมะมุขะท่านหยุดเถิดหยุดเถิดท่านพูดมากนักข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับท่านข้าพเจ้าพูดกับท่านพระโคโดมตังหาก พระสาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนชาติกะนิครนทบทุตรขั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญคำพูดนี้เป็นของข้าพเจ้าและของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหยุดไว้ก่อนถ้อยคำนั้นอาจเป็นแต่คำเพ้อเจ้อพูดเพ้อกันไปด้วยเหตุเพียงเท่าไรสาวกของท่านพระโคโดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ทําตามคําสอน ทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าๆไม่ต้องเชื่อใครอีกในคําสอนของพระศาสดาของตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาคิเวสนะสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เห็นเบญจขันธ์นั้นทั้งหมดคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอก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 ไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของศาสดาของตนข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรพิกษุชื่อว่าเป็นพระอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชนแล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอคิเวชนะ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 ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันตขีนาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชนแล้วหลุดพน้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยมสามประการคือหนึ่งความเห็นอันยอดเยี่ยม 2. ข้อปฏิบัติอันยอดเยี่ยมสมความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมเมื่อมีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อให้ตรัสรู้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงฝึกพระองค์แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อฝึกตนพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสงสบแล้ว ทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงข้ามพ้นแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อให้ข้ามพ้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปรินิพานแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพาน สัจกะนิครนทบุตถวายพัตตาหารเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจกะนิครนทบุได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเขาพระเจ้าเป็นคนคอยคำจัดคุณผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้เข้าใจพระดำรัสของท่านพระโคดมว่าตนสามารถลุกรามได้ด้วยถ้อยคำของตนบูรุษมาปะทะช้างซับมันเข้าก็ดี พบกองไฟที่กําลังลุกโชนก็ดีพบงูพิษที่มีพิษร้ายก็ดียังพอเอาตัวรอดได้บ้างแต่พอมาพบท่านพระโคดมเข้าแล้วไม่มีใครเอาตัวรอดได้เลยเขาพเจ้าเป็นคนคอยกําจัดคุณผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้เข้าใจพระดำรัสของท่านพระโคดมว่าตนสามารถลุกรานได้ด้วยท้อยคำของตนขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จงรับนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุสณีภาพลำดับนั้นขจักกานิครนตบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงบอกพวกเจ้าด้วยชีวีเหล่านั้นว่าเจ้าด้วยชวีทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้านิมนต์ท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไว้แล้วเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้น พวกท่านจะนำอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้าจงเลือกอาหารที่ควรแก่ท่านพระโคโดมเถิดเมื่อล่วงราตรีแล้วเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้นำพัตหารประมาณห้0อยสำรับไปให้แก่สัจกะนิครนทบุตรเขาจึงให้จัดของเคี้ยวของฉันอันประณีตในอารามของตนเสร็จแล้วจึงให้ทูลบอกเวลาแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญ เวลานี้เป็นเวลาอันควรพระทหารจัดเตรียมสําเร็จแล้วครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังอารามของสัจกะนิครนเถุตรแล้วประทับนั่งบนพุทธอาธิที่ปูลาดไว้แล้วจากนั้นสัจกะนิครนเถุตรได้นําของขบชันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ให้อิ่มน้ำด้วยมือตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตจากบาทแล้วสัจกานิครนตบุตรจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญขอบุญและผลบุญในทานครั้งนี้จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มัเวชนะบุญและผลบุญในธานนี้อาศัยทักขินยบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับท่านจะมีแก่ทายกทั้งหลายบุญและผลบุญในธานนี้อาศัยทกขินายบุคคลที่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับเราจะมีแก่ท่านจูลสัจกสูตรที่ห้าจบ 6. มหาสัจกะสูตรว่าด้วยสัจกะนิครนตบุตรสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่คูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวร มีพระพุทธประสงค์จะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีขณะนั้นสัจกะนิครนทบุรเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปที่กูตะคารสาลาปามหาวันท่านพระอนนท์ได้เห็นสัจกะนิครนทบุรเดินมาแต่ไกลจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจกะนิครนทบุรนี้เป็นนักโตวาทะพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิต ชนจํานวนมากยอมยกว่าเป็นผู้มีลัทธิดีเขาปรารถนาจะติเตียนพระพุทธเจ้าปรารถนาจะติเตียนพระธรรมและปรารถนาจะติเตียนพระสงฆ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโรกาสขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งสักครู่หนึ่งเถิดพระผู้มีพระภาคจึงประทับอยู่บนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วขณะนั้นสัจกะนิ ค, ครนตบุตร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 ปัญหาของสัจกนิครนเถุตข้าแต่พระโคดมผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมันประกอบกายภาวนาอยู่แต่หาได้มันประกอบจิตตะภาวนาไม่สมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมประสบทุกขเวทนาทางกายเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อบุคคลถูกทุกขเวทนาทางกายกระทบเข้าแล้วความขัดย่อขาจากมีบ้างหัตถ ay จกแตกบ้าง เลือดอุ่นจากพุ่งออกจากปากบ้างจากถึงความมีจิตฟุ้งซ่านจนเป็นบ้าบ้างจิตอันหมุนไปตามกายของผู้นั้นก็เป็นไปตามอำนาจกายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้อบรมจิตมีสมณะพราหม์พวกหนึ่งมันประกอบจิตภาวนาอยู่แต่หาได้มันประกอบกายภาวนาไม่สมณะพราหม์พวกนั้นย่อมประสบทุกเวทนาทางจิตเรื่องเคยมีมาแล้ว เมื่อบุคคลถูกทุกขเวทนาทางจิตกระทบเข้าแล้วความขัดย่อขาจากมีบ้างหาไทยจกแตกบ้างเลือดอุ่นจากพุ่งออกจากปากบ้างจากถึงความมีจิตฟุ้งซ่านจนเป็นบ้าบ้างกายที่หมุนไปตามจิตของผู้นั้นก็เป็นไปตามอำนาจจิตข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้อบรมกายข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเขาพระเจ้ามีความคิดว่า มูสาวกของท่านพระโคดมมันประกอบจิตภาวนาอยู่โดยแท้แต่หาหมันประกอบกายภาวนาอยู่ไม่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอคีเวชนะท่านได้ฟังกายภาวนามาอย่างไรชัจกะนิครนทบุตรทูลตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญท่านนันทะวัชโคตท่านกิษะสังกิจจโคตท่านมัคคิลิโคสาร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 ไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีคันไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนกกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่ที่แมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่ม ไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำาละถึงรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยสองใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยเจ็ดใบ กินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนสองวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนเจวันถือการบริโภคพัตหารตามวรระสิ้าวันต่อมือ้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้บ้างพระผู้มีพระภาคตรถามว่าอาคิเวชนะบุคคลเหล่านั้นเลี้ยงตนด้วยพัดเพียงเท่านั้นอย่างเดียวหรือ สัจกะนืครนทบุตรทูลตอบว่าข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระโคโดมผู้เจริญบางทีท่านเหล่านั้นเคี้ยวของควรเคี้ยวอย่างดีบริโภคโภชนะอย่างดีลิ้มของลิ้มอย่างดีดื่มน้ำอย่างดีให้ร่างกายนี้มีกําลังเจริญอ้วนพีขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวสนะ บุคคลเหล่านั้นละทุกขะทิริยาที่ประพฤติมาแล้วบำรุงกายนี้ในภายหลังเมื่อเป็นอย่างนั้นกายนี้ก็มีความเจริญและความเสือมไปพระผู้มีพระภาคตรถามอีกว่าอักิเวสนะท่านได้ฟังจิตตภาวนามาอย่างไรสัจกะนนครนทบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรถามในจิตตภาวนาไม่อาจทูลตอบได้ กายภาวนาและจิตตภาวนาขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสัจกะนิครนเถบุว่าอคิเวชณนะกายภาวนาที่ประพฤติมาก่อนซึ่งท่านอบรมแล้วนั้นไม่ใช่กายภาวนาที่ถูกต้องในอริยวินัยท่านยังไม่รู้จักแม้กายภาวนาจะรู้จักจิตตภาวนาได้อย่างไรบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิต และบุคคลผู้ได้อบรมกายผู้ได้อบรมจิตมีได้ด้วยวิธีใดท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าววิธีนั้นศัจกะเนครนทบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า บุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถูกสุขเวทนากระทบแล้วมีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาสุขเวทนานั้นของเขาย่อมดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกเวทนาจึงเกิดขึ้น เขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็เศร้าโศกเสียใจรำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแก่เขาแล้วก็ครอบงำจิตอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมกายทุกขเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมจิต สุขเวทนาและทุกเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนคนใดคนหนึ่งอย่างนี้ก็ครอบงำจิตอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมกายเพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมจิตอาคิเวสนะบุคคลผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้ บุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถูกสุขเวทนากระทบเข้าแล้วไม่มีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและไม่ถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาสุขเวทนานั้นของเขาย่อมดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้น เขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่รำพันไม่ตีอกคกรำครวนไม่ถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแก่อริสาวกแล้วก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายทุกขเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ไม่ได้เพราะเหตุที่ได้อบรมจิต สุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแก่อาิยสาวกผู้ใดผู้หนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายเพราะเหตุที่ได้อบรมจิตอาคีเวชนะบุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้สัจกะเนโครทบุตรกราบทูลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านพระสมณโคดม เพราะท่านพระสมณะโคดมได้อบรมกายแล้วได้อบรมจิตแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัคิเวศนะท่านนำวาจานี้มาพูดกระทบกระทิบกับเราโดยแท้แต่เราจะบอกแก่ท่านเมื่อใดเราโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากวังพนวเป็นบันพชิตเมื่อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตของเรานั้น จะถูกสุขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่หรือจะถูกทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่สตราจารยนิครนทบุตรกราบทูลว่าสุขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะครอบงำจิตตั้งอยู่หรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะครอบงำจิตตั้งอยู่ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมผู้เจริญโดยแทพ้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ า, Grill. าอคีเวชนะ ทำไมเวทนาทั้งสองนั้นจะไม่พึงมีแก่เราเราจะเล่าให้ฟังกรนการตรัสรุ้เมื่อเราเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตัดสรุ้เรามีความคิดว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่งการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ครบถ้วนดุดสังขัดมิใช่ทาได้ง่ายทางที่ดี เราคูรโคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะพัดออกจากวังบวดเป็นบรรพชิตเถิด